วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามษายนพุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทตผู้มีจิตศรัทธาภาษาธมีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาเสริมความรู้สติปัญญาความฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ปราศจากความทุกข์ต่างๆทมที่จะมาฝากท่านในวันนี้มีหัวข้อว่าทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ สับนั้นความทุกข์ใจก็ยังจะมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะเมื่อมาเกิดแล้วได้ร่างกายแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ของร่างกายเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแล้วเจอกับความตายของร่างกายทุกครั้งไปถ้ามีร่างกายก็ต้องมีแก่เจ็บตายเมื่อมีแก่เจ็บตายก็จะต้องมีความทุกข์ใจ เพราะว่าไม่ม <S m> ีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วทำไมเราจึงมาเกิดกันอยู่เรื่อยก็เพราะว่าเรามีความหลงหลอกเราไม่ให้เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองเวลาคนเกิดมานี่เราจะให้คิดถึงแต่เรื่องดีๆของคนที่เกิดมาแล้ว เกิดมาแล้วจะเจริญเติบโตร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดเรียนหนังสือได้ระดับปริญญาสูงๆ <C lungs> มีงานทำมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆคิดแต่เรื่องของความสุขที่ ท, ที่ได้มาเกิดกัน ไม่ได้คิดถึงด้านของความทุกข์กันเลยก็เลยทำให้อยากจะมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆพอมาเกิดแล้วก็ต้องเจอกับสัจธรรมความจริงของร่างกายของชีวิตว่าร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องทุกข์ขั้นต้นก็ทุกข์กับการดำรงชีพทุกข์กับการต่อสู้กับภัยต่างๆที่จะมาพุกงเามนชีวิตของร่างกาย ภัยทางธรรมชาติซึ่งน้ําท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไร buenas, ต่างๆนั้นก็ยังม okay. ีภ mm ัยจากสัตว์สัตว์ต่างๆสัตว์ที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็มีภัยจากบุคคลที่โิดร้ายทารุณคนคนชั่วคนไม่ดีที่จะมาคอยทําร้ายร่างกาย ของต น, นแล้วก็ยังมีภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีโรคระบาดมีเชื้อโรคชนิดต่างๆโผลขึ้นมาใหม่ๆอย่เรื่อยๆมาสร้างความทุกข์สร้างความวิตกสร้าางควมกังวลใจให้กับใจตลอดเวลาแล้วก็ต้องมาทุกขกับการสูญเสียบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบ สิ่งต่างๆที่เราลากเราหวงเวลาถึงเวลาจะต้องพัดทพาจากกาันมันก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความทุกข์เก<ม>ิดมาก ม, มีแต่ความทุกข์แต่ความทุกข์นี้เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่มองกันเพราะความหลงมันไม่ต้องการให้เรามองเห็นด้านของความความทุกข์ของชีวิตให้มองแต่ด้านของความสุข ให้มองด้านบวกเขาว่าอย่างนั้นไม่ให้มองด้านลบมันจึงทำให้เราหลงกันหลงคิดว่าการมาเกิดนี้เป็นความสุขโด่ไม่มองไม่เห็นความจริงว่าการมาเกิดนี้มันเป็นความทุกข์ถ้าพอเจอว่าความทุกข์ก็จะไม่รู้จักวิธีต่อสู้กับมันหรือกําจัดมันให้มันออกไปจากใจอ ปัญหาก็จะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดเราก็จะมาหลงไหลกับการได้มาเกิดกันหลงไหลกับการมีชีวิตหลงหลกับการเจริญเติบโตเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็หาหาข้าวของเงินทองต่างๆหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจัน จึงทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ที่มันรออยู่แล้วความทุกข์ของความแก่มันก็ไม่ได้มาตั้งแต่ก็เริ่มต้น ม, มันมาค่อยๆคืบคลานเข้ามาหลังจากที่เราอยู่มานานแล้วระยะหนึ่งร่างกายก็จะเริ่มเกิดอาการทุดโทรมเกิดอาการแก่ชราลงแล้วความทุกข์ของร่างกายก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามลาดับ เราก็จะหลงอยู่กัการมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆพอตายพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หรือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าพชนิดต่างๆก็จะดึงให้ใจกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ จะมาทุกข์ก็ตอนที่เจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตาย mm. แต่พอไปเจอมันก็สายสายไปเสียแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการที่จะรับกับเหตุการณ์เหล่านี้เราก็เลยต้องถูกของความทุกข์ถูกความทุกข์ครอบงําใจนเไปจนถึงวันตาย เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวันใดวันหนึ่งเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายเจอกับการสูญเสียพลดพาดจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงพอมีได้ยินคำสอนว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็ยังสอนว่าการเกิดนี้เราสามารถยุติมันได้เราไม่มีวามจำเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเรารู้สาเหตุของการมาเกิดว่าเกิดจากอะไร <c oughs> ก็ไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่ได้สรงศึกษาได้สรงปฏิบัติสงค้นค้าหาสาเหตุของเหตุที่พาให้ใจมาเกิดอยู่เรื่อยกระสงค้นพบว่าเกิดจากความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆนี่ที่เรียกว่าการมตัญหาอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชอบดูอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยาก อยากกินอยากดื่อยากดูอยากฟังอะไรต่างๆอยากไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสิ่งอันนี้มันเกิดจากความอยากของใจเองใจที่ไม่มีไม่มีอะไรก็เลยต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาให้ความสุขกับใจใจไม่รู้ว่าใจนี้สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมี ลาบยศสารเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกิริลมาให้ความสุขกับตนพระพุทธเจ้าก็จะทรงตัดสอนทรงทรงสอนว่าความอยากของเราในรูปเสียงกิริความอยากในลาบยศสารเสริญความอยากให้มีชีวิตอยู่ไปานานๆความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นเหตุที่ทาให้ใจเราทุกข์กัน ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เ, ออเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ออให้ได้ถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ออความทุกข์ของเราก็ไม่มีการจะกลับมาเกิดใหมอ่อีกก็จะไม่มี เ, ออเราต้องละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามตัณหาละความอยากได้ลาบยสาศสรรเสริญสุขเรียกว่าภาวะตัณหาออความอยาก ไม่ให้ลาบยศสารเสรินสุขไม่ให้ร่างกายของเราแก่เจ็บตายนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้เป็นเหตุที่พาให้เรามาเกิดแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์เวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ตรงกับความอยากของเราเพราเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความอยากนี้แหละที่จะทําให้ใจเราทุกเวลาที่เจอกับความแก่ของร่างกายเจอความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายถ้าเจอกับความตายของร่างกายเจอกับการสูญเสียภาภักดิจากของบุคคลที่เรารักไปถ้าเรารักความอยากทั้งสามนี้ได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียของสิ่งต่างๆที่เรามีไป จะไม่ทุกกับการ <c oughs> พัดพาคจากกันจะไม่ทุกกับการที่เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นปรารถนาและการที่เราจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราต้องมีเครื่องมือมีวิธีการปฏิบัติสอนใจให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักรับรับหยุดความอยากต่างๆด้วยการเจริญ ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยหยุดความอยากต่างๆหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากหยุดการมาเวียนว่ายตายเกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ<ม>เราจรึงต้องมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเพราะถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญา เราจะไม่มีกำลังเหมือนกับเรามีมือเปล่าๆแล้วไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มีอาวุธที่ทันสมัยมีปืนมีอะไรต่างๆแต่เรามีแต่มือเปล่าๆนี้เราจะไม่สามารถที่จะไปสู้กับอันหาความอยากของเราได้เราต้องมีเครื่องมือที่จะใช้ต่อสู้กับอันหาความอยากเครือ่องมือนี้พระเจ้าได้ทรงค้นพบ และได้นำอมามาใช้จนสามารถเอาชัยชนะความอยากได้ละความอยากทั้งสามได้ละกามาพันกามาตัญหาละภาวะตัญหาละวิภาวะตัญหาได้เมื่อสงละได้แล้วความทุกข์ในใจก็จะหายไปแล้วการที่ใจจะกลับมาเกิดมาอีกก็จะไม่มีต่อไป ดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องการทำก็คือสร้างอาวุธนี้ขึ้นมาให้กับใจของเราไว้ต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆให้เราเริ่มรักษาศีลกันเบื้องต้นก็นรักษาศีลห้าไปก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็เพิ่มเป็นรักษาศีลแปดเพราะว่าศีลห้านี้ยังไม่ได้ห้ามการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ แต่ห้ามไม่ให้ไปทำบาปไม่ให้ไปเบียดเบียนไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื mm ่นเพราะการไปเบียดเบียนเป็นการทำร้ายผู้อื่นนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาป mm hmm. ก็อย่าไปทำบาป mm hmm. แต่สินห้านี้ยังไม่สามารถหยุดปัญหาความอยากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ mm hmm. ก็ต้องเพิ่มศินเป็นสินแป เพิ่มศีลที่เรียกว่าในคข ม, มะการปฏิบัติในคข ม, มะคือการละงับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายทางรูปเสียงกลิ่นรสเช่นศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็น อ, อบรหมจริยาคือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อสามของศีลห้านี้ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่คร อ, องของตนได้อยู่ เพราะว่าศีลห้านี้เป็นศีลสำหรับผู้ที่ยังมีกำลังน้อยยังมีกำลังสู้กับความอยากได้ไม่มากก็เลยต้องรักษาศีลห้าไปก่อนอนุญาตให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ให้กินอาหารตามที่ต้องการ ต, ตามความอยากได้ให้ดูหนังฟังเพลงให้ไปเที่ยวไปกินไปทำอะไรได้ แต่ถ้าอยากจะลดความอยากในรูปเสียงกิตลดงลงลถความอยากในการภาวนาหาภาวะัาหาวิภาวะัาหาก็จะต้องมาเริ่มรักษาศีลแปกันศีลแปนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีเวลาว่างจากการท ำ, ท ำ, ทำภารกิจการงานต่างๆแล้วก็ไปอยู่วัดไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีสถานที่สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากเครื่องยั่วยวนกวนใจต่างๆเพราะถ้าถือศีลแปดแล้วไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงเิียถรถมันก็อาจจะทำให้รักษาศีลได้ยากพอเห็นคนอื่นเขารับประทานอาหาร<ม>ก็อยากจะรับประทานกับเขาในตอนเย็น<ม>ได้ยินเสียงเพลงได้เห็น <c oughs> เห็นรูปเห็นอะไรก็อยากจะเสพอยากจะสัมผัสขึ้นมาฉะนั้นการที่เราจะมาระงับตัณหาความอยากกามาตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นล้ได้นี้เราจาเป็นที่จะต้องไปถือสินแปดกันสินแปดคือเพิ่มข้อสินข้อหกก็คือไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วกินอาหารเพื่ออยู่ไม่ได้กินตามความอยากสินห้านิย่าให้กินตามความอยากได้อยากจะกินอาหารกี่ครั้งกี่รอบก็กินได้แต่ถ้าถือสินแปดแล้วนี้ก็จะไม่ให้กินอาหารตามความอยาก กินเพื่อเลี้ยงปากกินเพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ไปไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินเพียงวันละมือ้อสองมื้อก็พอแต่ไม่ให้เกินเชี่ยงวันไปแล้วแล้วก็ให้มาละการหาความสุขจากการดูการฟังโมหะรสสดบันเทิงต่างๆเป็นสมัยนี้เรามีโทรศัพท์มือถือนี่ก็เป็นเครื่องมือของของการของการหาความสุขจาก มหัศบัญฑรงต่างๆถ้าไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมเขามักจะให้เก็บเอาไว้ไม่ให้เอามาใช้เพราะว่าถ้าเอามาใช้แล้วเดี๋ยวมันก็จะอยากจะดูนั่นฟังนี่มันก็เป็นการเสกรูปเสียงกลิ่นรสเป็นการเปิดช่องให้ความอยากการมาทันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้เอามาเอามาแสดงบทบาทเราต้องการกาจัดมันเราต้องการหยุดมัน เพราะตัวนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาที่เราอยากแล้วเราไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นใจของเราจะทุกข์ในเวลาเราเร า, เราอยู่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนเราก็มีความสุขแต่พอวันไหนเราต้องอยู่คนเดียวนี่เราจะรู้สึกมีความเศร้ามีความเหงามีความว้าวเวยเกิดขึ้นมาทันทีเพราะใจเรามีความอยาก อยู่ใกล้แฟนอยู่ใกล้เพื่อนแต่พอไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนให้อยู่ใกล้ด้วยมันก็ทําให้เกิดเราเศร้าขึ้นมาแต่ถ้าเราเลิกความอยากนี้ได้เราอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้จักว้าวเวยอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการมาตัญหาความอยากอย่างรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆเบื้องต้นให้ถึงศีลห้าก่อนให้ถึงศีลห้า ถ้าเราไม่เคยถือสินมาแล้วก็ถือสินห้าก่อนถ้าถ้าถือสินแปดได้เลยก็ยิ่งดีถือสินแปดแล้วก็ไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ห่างไกลจากรูปเสียงกิริลดห่างไกลจากกิจกรรมทางการอารมณ์ทั้งหลายถ้าเราจะได้ไม่มีอะไรมาคอยกระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นแต่ความอยากมันก็ยังไม่ตายจากการที่เราใช้รักการรักษาสีลแปด ิีนแปลเป็นเพียงแต่เป็นการห้ามไว้ไม่ให้มันแสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาแต่มันยังดิ้นอยู่ในใจได้มันยังสร้างความทุกข์สร้างความหงุดหงิดลำคาญใจให้เวลาสืสศีลแปลนี่ใจจะมักจะมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเพราะไม่ได้ทำตามความอยากต่างๆนั่นเองวิธีที่จะรงับความหงุดหงิดลำคาญใจ เมื่อเราถึงศีลแปดแล้วเราก็ต้องมาเจริญสตินั่งสมาธิ<ม>ทําใจให้นิ่งให้สงบ<ม>ถ้าเราสามารถเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้อยากได้<ม>ความอยากก็จะสงบตัวลง<ม>พอความอยากสงบตัวลงความรู้สึกหงดหยิดใจความรู้สึกเศร้าซร้อยหงอยเหงาว้าเวความรู้สึกทุกข์ใจต่างๆมันก็จะสงบตัวลงชั่วคราว อันนี้คือวิธีกำจัดหรือต่อสู้กับความยากต่างๆเราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือมีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วนอกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายเครื่องมือชิ้นแรกก็คือการรักษาศีลแปดแล้วก็แล้วก็มาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมา คำว่าสมาธิกับคำว่าสตินี่เป็นเป็นคำที่มีความหมายต่างกันสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล<ม>สติเป็นผู้คอยกำกับคอยควบคุมคอยหยุดมไม่ให้ใจคิดปุงแต่งให้ใจนิ่งสงบเวลาใจนิ่งสงบนี้เราเรียกว่าสมาธิ<ม>เราต้องการสมาธิแตสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการมีสติคอยควบคุมใจ ผูกใจไว้กับอารมณ์ที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบอารมณ์อารมณ์เหล่านี้เราเรียกว่ากรรมฐานเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกเวลาที่เรานั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วเราต้องมีสติคอยกากับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดูลมก็ได้ดูลมที่ปลายจมูกหรือบริเวณ ไกล้ๆปลา ย, ลายจมูกที่ลมสัมผัสเข้าออก<ม>เข้าดูตรงจุดนั้นดูลมเข้าดูลมออกให้มีสติอยู่กับลมไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>ถ้ามีสติคอยคอยยับยั้งไม่ให้ใจพลอยไปกับความคิดได้เดี๋ยวไม่นานความ <c oughs> ความคิดก็จะหยุดคิดขึ้นมาพอความคิดหยุดขึ้นมาแล้วก็กิดความนิ่งเกิดความสงบ เพราะนั้นความอยากก็หยุดทํางานชั่วข่าวพอความอยากหยุดทํางานชั่วข่าวใจก็เกิดความสุขขึ้นมาความหงุดหงิดลาคาญใจความว้าเหวี่ยเศร้าสร้อยโหยเงาก็จะหายไปทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสที่เหนือกว่าความสงบทั้งปวงความสุขทั้งปวง ความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิริยานี้เพื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการได้จากความสงบของใจนี้เป็นเหมือนท้ากับดินถ้าเราสามารถเจริญสติแล้วนั่งสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบได้แล้วนี่เราจะชนะกิเลสไปครึ่งทางแล้ว <c oughs> เราหยุดความอยากได้ครึ่งทางแล้ว พงแต่ว่าเรายังไม่สามารถทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้จากการนั่งสมาธิเท่านั้นเอง mm hmm. เพราะสมาธินี้ท่านเจ็บเหมือนหินทับหญ้า mm hmm. เวลาเราหินก้อนใหญ่ๆไปทับที่หญ้าหญ้าที่งอกงามขึ้นมาก็จะงอกงอกงอยขึ้นมาไม่ได้เพราะมีหินทับไว้อยู่ mm hmm. แต่พอเราเอายกหินออกจากที่ที่ทับหญ้าหญ้าที่ไม่มีหินทับเดี๋ยวมันก็จะพอได้น้าได้แดด มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากของยาไม่ได้ตายไปกับการถูกหินทับไว้ยันใดความอยากก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้พอใจนิ่งสงบความอยากก็นิ่งตามหยุดทำงานตามเพราะความอยากอาศัยความคิดของใจเป็นเครื่องมือพอใจหยุดคิดได้ใจความอยากก็ทำงานไม่ได้ แต่พอใจออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดความอยากก็ก็โผลขึ้นมาใหม่ได้ความอยากไม่ได้ตายไปกับการทำทาสมาธิไม่ได้ตายไปกับการหยุดคิดมันมันเพียงแต่พักตัวชั่วคราวเพราะว่าเครื่องมือที่มันต้องการใช้ไม่ได้ทำงานก็คือความคิดต่างๆนั่นเองแต่พ อ, อ, อมาจากสมาธิ พอมารับสัมผัสรับรู้กับลูกเสียงกลิแล้วต่างๆพอเห็นรูปความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาได้ทันทีพอได้ยินเสียงความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาได้ทันทีพอคิดถึงเรื่องเงินคิดถึงเรื่องนี้ก็มีความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้ ท, ทันทีอันนี้สมาธิไม่สามารถหยุดมันได้สิ่งที่จะทำมาหยุดมันอย่างถาวรก็คือปัญญาเท่านั้นเองปัญญาคืออะไรคือการเห็นว่าสิ่งที่ ความอยากต้องการเช่นรูปเสียงกลิร่รสผลิตภัณฑนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นงูเหา่าไม่ใช่เป็นปาลาไหลคนที่ดูปาลาไหลก็แยกปาลาไหลกับงูเห่าไม่ออกก็อาจจะคิดว่าเป็นปาลาไหลเห็นงูเห่าก็คิดว่าเป็นปลาไหลคิดว่าเป็นอาหารนโนูชะแต่หารู้ไมมันเป็นงูพิษที่สามารถกัดให้ตายได้ถ้าไปเล่นกับงูพิษเดี๋ยวว่าถูกงูพิษกัดตายได้ ทันใดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเสพกันนี้มันก็เป็น <c oughs> เหมือนอยูเท็คือเป็นเหมือนยาเสพติดนี่ถ้าเราไปเสพแล้วเราจะติดมันและเวลาที่มันไม่มามันไม่มีแล้วมันจะทาให้เราทุกข์ทรมานใจเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาตามคําสั่งของเราได้ตลอดเวลา บางทีเราอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังเวลาเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนที่นั่นที่นี่เราก็อาจจะไปไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินทองที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆนี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลูกเสียงกิ่นดต่างๆถ้าเราไปเสพมันก็เหมือนกับไปเสพยาเสพติดเวลามีเสพเราก็จะมีความสุขเวลาที่ไม่มีเสพนั้นเวลานั้นมันจะทาให้เราทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราเห็นโทษของของรูปเสียงกลิ่นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันอยู่กับเรามาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเวลาที่เราสั่งแล้วมันไม่มาหรือว่าเราต้องการมันแล้วมันไม่มานี่มันก็จะทําทให้เราทุกข์เสียใจเศร้าเศร้าโศกเสียใจได้อันนี้คือการมีการใช้ปัญญา ให้สนใจให้พิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วลวาบยศสรรเสริญก็ดีร่างกายของเราก็ดีของต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากมาเป็นสมบัติของเรานี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกขว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้เราอาจจะมีมันพวกนี้เราอาจจะไม่มีมันก็ได้เวลาที่ไม่มีมันเวลานั้นก็จะเป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจ ถ้าเราสามารถมองเห็นความไม่แน่เที่ยงแท้นแน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรา<ม>เราก็จะไม่อยากได้ต่อไป<ม>เราก็จะปล่อยเ้วก็จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เพราะเราสามารถอยู่ปราศจากความอยากได้เพราะใจเรามีความสงบจากสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา<ม>พอเราหยุดความอยากได้ใจที่วุ่นวายที่เศร้าซ้อยหงอยแ ง, งาจากความอยากก็จะ ใจเป็นใจที่สงบเย็นสบายใจที่มีความสุขการไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง <S S S <c oughs> เพราะความอยากนี่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจนั่นเอง <c oughs> พอเราทุกครั้งที่เรามีความอยากกับอะไรก็ตามล้วเราสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข สุขที่ได้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขเชั่วคราวต่อไปเวลาอยากแล้วไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปติดมันอย่าไปอยากได้มันพอเราไม่ติดไม่อยากความความสงบของใจก็กลับคืนมาพอใจสงบเวลาไม่มีความอยากใจก็จะสงบเหมือนขณะขณะที่เข้าสมาธิไปก็เหมือนกับการทำสมาธิโดยโดยไม่ต้องนั่งสมาธิ คือทำสมาธิด้วยการใช้ปัญญาหยุดใจให้นิง่ง ใ, ให้หยุดความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความไม่วายใจต่างๆแต่ถ้าใช้ปัญญาได้นิจใจจะต้องมีสมาธิก่อนสามารถหยุดหยุดความอยากได้ด้วยด้วยสติก่อนเพราะว่าถ้าไม่สามารถหยุดความอยากได้ด้วยสติก่อนเวลามาใช้ปัญญานี้ลเลาเห็นพิจารณาเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทาให้เราทุกข์ เราต้องหยุดมันแนละสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นที่จะทำให้เราทุกข์เหมือนกันแต่เราจะหยุดไม่ได้เพราะใจเราไม่มีกําลัง <c oughs> ไม่มีกําลังของสติที่จะหยุดใจได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปใช้ปัญญาเพื่อหยุดความอยากอย่างถาวรเราต้องหยุดความอยากแบบชั่วคราวด้วยกําลังของสติก่อนเพราฉะนั้นการการที่เราจะปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เราจึงต้องฝึกสติให้มากมากก่อนเจริญสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้เราจะเน้นเรื่องของการเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ให้มีสติกำกับใจอยู่ตลอดเวลาให้เราเลือกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้ ถ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิยังมีการเคลื่อนไหวยอยู่ใช้คําบริีกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆเวลาทําอะไรไม่อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้หรือใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายในทุกวิริยาบทก็ได้แล้วพอเวลามานั่งสมาธิก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจก็ได้หรือเปลี่ยนมาใช้คําบริกรรมพุโทโธก็ได้แล้วใจก็จะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าเรามีสติกำลังที่จะหยุดความอยากหยุดหยุดความคิดความอยากได้แล้วต่อไปเราเมรามาใช้ปัญญาพอปัญญาบอกว่าไม่ควรไปทำตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นของชั่วคราวเราก็ใช้สติหยุดความอยากได้เลยใช้สมาธิหยุดความอยากได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราไปใช้ปัญญาพอปัญญาบอกว่าอย่าไปทาตามความอยากเราก็หยุดมันไม่ได้ เพราะเราไม่มีสติกําลังพอที่จะหยุดความอยากได้นั่นเองดังนั้นเบื้องต้นเราจึงต้องฝึกสตินั่งสมาธิกันก่อนพอเราได้สมาธิสามารถหยุดใจได้ด้วยสติแล้วขั้นต่อไปเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เราเห็นโทษของการไปไปไ ป, ไปติดไปยากับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวไม่สามารถให้ความสุขได้ตลอดเวลา เวลามันไม่มีขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจได้แต่ถ้ามีสติที่หยุดหยุดหยุดใจให้เข้าสมาธิได้เราก็สั่งให้หยุดความอยากได้ทันทีพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ความเศร้าใจก็จะหายไปใจก็จะสงบเหมือนกับเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิเลยและเป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไป เพราะความอยากตัวที่พาให้ใจทุกข์ให้ใจวุ่นวายนี้มันถูกกําจัดด้วยปัญญาและสมาธิควบคู่กันไปปัญญากับสมาธิต้องทํางานร่วมกันถึงจะสามารถหยุดความอยากได้อย่างอท้ า, าวอนเมื่อไม่มีความอยากแล้วการที่จะกลับมาเกิดเด็กก็จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากดูอยากฟังก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่มีความอยาก ความอยากนี้ก็ยังไม่พาให้ดวงวิญญาณของเราไปเกิดใหม่ก็แล้วไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมืออีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วการเกิดก็ไม่มีต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดความทุกข์ก็จะหมดไปทุกข์ยังไม่มีกับผู้ไม่เกิด น, นี่ก็คือเรื่องหัวข้อธรรมที่อามาฝากท่านในวันนี้เรื่องของการเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดนี่เองถ้าไม่อยากจะทุกข์ จากการมาเกิดก็ต้องหยุดควา ม, วามอยากมาเกิดหยุดเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันด้วความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาพอลำดับต่อไปเราจะมานั่งสมาธิกันมาหยุดความคิดหยุดความอยากกันชั่วคราวก่อนเราต้องหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยสติให้ได้ก่อน เมื่อได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราอยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นความความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ยังย่งยืนถาวรเวลาไม่ได้มันแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราอยากแต่ถ้าเราไม่อยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปอังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันด้วยการเจริญสติ เ, เลิกรู้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์บันไดอันหนึ่ง เวลานั่งสมาธินี่อย่านั่งเฉยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะไม่สงบถ้าอยากให้ใจสงบต้องผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานถ้านั่งจะดูลมก็ได้ดูลมที่ปลายจมูกก็ได้ดูลมที่หน้าท้องก็ได้หน้าท้องเราก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอที่ปลายจมูกเราเรียกว่าอานาปณะสติอืหรือจะใช้คําบราลรคำพุทโธพุทโธก็ได้ต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถปูกใจได้อย่างต่อเนื่องประมาณสักห้านาทีใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่ต่อเนื่องแวบบ ด, ดูดูได้แว บ, บเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วกลับมาดูใหม่ถ้ายังกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นัน่งไปนานเท่าไหร่มันก็ยังไม่สงบได้แต่เราก็ต้องพยายามวิธีที่จะทำให้เรานั่งได้ผลเราต้องฝึกสติมาก่อนที่เรามานั่งคนจะฝึกสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื pues ่องแล้วเวลามานั่งสมาธิจิตจะนิ sí. ่งจะสงบได้ง่ายแต่เวลานั MM> ่งแล้วมีอะไรแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจความคิดแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจอารมณ์อะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจรูปเสียงรูปอะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจปลูกใจให้อยู่กับกรรมฐานถ้าเรายังดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุทโธไม่ได้ใจยังคิดอยู่มาก ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนส่วนบทไหนที่เราจำได้สวดไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะคิดน้อยลงพอกลับมาดูลมได้ก็เปลี่ยนมาดูลมหรือบริกรรมพุทโธแทนต่อไปนี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมาทำกันในขณะ น, นี้ใช้เวลาประมาณทั้งยี่สิบห้านาทีด้วยกัน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 ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังน้อยพยายามฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่งฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเืิตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปจะมีสติมากมันจะนั่งสมาธิจะสงบได้มากได้ง่ายขึ้นถ้าต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยถาวาริวะหาตุราปาวิปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกะปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวาสุนิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะระโสยะถาโนิโชติ ภราสยาธาสัพพิตโยวิวัชันตุสัพโรโกวินาศตุมัเตภวตวันตราโยสุขิตีขายุโกภวะอภิวาตนาสิลิสานิจจังหุธาปจายิโนจตารูธรมมวัตันติอายุวันุสุขัง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 ทาง Facebook 286 YouTube ราจารย์สุชาติ327 YouTube ด r v 48 Clubhouse 2วิทยุออนไลน์4หน้ากุติ157รวม824ค่ะคําถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะกรณีคนที่มีบุตยากและได้ทำกิฟต์ เพื่อที่จะได้มีลูกและสามารถเลือกเพศลูกได้แบบนี้ใช่เป็นความอยากเป็นกิเลสไหมเจ้าคะแล้วเด็กที่เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นเพราะดวงจิตนั้นมีกรรมอะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องของกรรมมันมันมีมากมายกายกองเลยไม่ทราบว่าเป็นกรรมอะไรแต่การไม่ได้เกิดอันดีแล้วดีกว่าการมาเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาทุกมาแก่มาเจ็บมาตาย ถ้าไม่มาเกิดได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้มาเกิดเพราะถูกทำแท้งนี่ก็มันก็ต้องกลับมาเกิดอยู่นเรื่อยๆอยู่ต้องไม่มาเกิดเพราะไม่มีความอยาก การรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นและดับไปแล้วดูเหมือนคนเย็นชาไม่อะไรกับอะไรทําให้คนรอบข้างไม่กล้าเข้ามายุ่งที่โยมสังเกตเพราะเขาเดากันไม่ถูกว่าโยมคิดอะไรซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติไหมเจ้าคะก็ต้องรู้จักใช้ปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยเวลาเราอยู่กับคนก็ต้องมีเมตตาไม่ใช่อยู่แบบ แบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจใครเลยก็ต้องมีส ต, ติสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ของเราเงี้ยวเฉยๆแต่เวลาต้องเกี่ยวข้องกันก็คนที่จะมีความเมตตาต่อกัน ความวุ่นวายใจความไม่สบายกายความกังวลต่างๆเพราะเกิดจากความกลัวความคาดหวังแล้วไม่เป็นอย่างที่หวังสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ความกลัวนั้นเบาบางลงและหมดจากใจขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าคะ่ะก็ต้องใช้การปฏิบัติสมาธิในเรื้องต้นทาจิตให้สงบแล้วความกังวลเหล่านี้ก็จะหายไปเชื่อคราว พอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความกังวลก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไปกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราคิดว่ามันก็ไม่หนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปหรอกถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ เหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหากับเราคำถามจากทาง Facebook คุณจรัญญาค่ะเราจาเป็นต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะถ้าเราเผลอรประมาทไม่มีสติเราก็จะอยู่เป็นทาสของอารมณ์โลกโกรธหลงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นทางเดินเก่าที่เราเดินมานานเราต้องฝืนตัวเองมาเดินเส้นทางใหม่คือสติเหมือนต้องปฏิบัต ปฏิวัติทางเดินของใจเจ้าค่ะโยมปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะคือนอกจากการมีสติแล้ว ย, ยังต้องมีการนั่งสมาธิด้วยเพื่อให้จิตนิ่งสงบให้มีความสุขในใจมีสติเพียงอย่างเดียวมันก็ยังไม่พอสติเป็นจุดเริ่มต้นแต่เป้าหมายต่อไปก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดดูเบกขาขึ้นมาแล้วลาดับต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ฉลาด ไม่ให้หลงไปกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปคาถามฝากถามจากนากุติคะ่ะเวลาคนนินทาหรือว่าเราผ่านโซเชียลต่างๆแล้วเราไปรู้ไปเห็นผ่านช่องทางต่างๆเรามีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ไม่คิดหรือวิธีดับอย่างไรก็ให้มีสมาธิแล้วเราก็จะรู้เฉยๆได้ แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิใจเราก็จะเต้นไปเต้นมากับสิ่งที่มาสัมผัสยินดียินร้ายแต่ถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาใจเราจะเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใครจะพูดอะไรใครจะชมจะด่าก็ไม่ไม่ไม่สะเทือนใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขานี้ใจเรายังเต้นอยู่เต้นไปเหมือนกิ่งฤษพอโดนเขาปั่นหัวหน่อยก็ร้องคิดคิดขึ้นมา คิดด้วยความกลัวบ้างคิดด้วยความดีใจบ้างต้องฝึกสตินั่งสมาธิแล้วใจจะนิ่งเฉยได้คำถามจากทางเฟซบุ๊กคุณสรินยาพาค่ะ วันนี้นั่สมาธิแล้วท้องเกิดปั่นป่วนเราเลยพิจารณาร่างกายขันนี้เป็นตัวผลิตสิ่งปฏิกูลไม่ทราบว่าทําถูกต้องไหมคะอีกทั้งใจก็ไม่สงบเพราะท้องปั่นป่วนแต่ก็ยังนึกถึงพุทโธเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราครั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของร่างกายหรือว่าเป็นการขวางสมาธิเจ้าคะก็แล้วแต่เราเนะ่ยเราต้องการจะศึกษาอะไร ถ้าศึกษาว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมรับมันไปก็ปล่อยมันเจ็บไปป่วยไปใจเราก็อยู่เฉยๆไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันใจอย่าไปทุกข์กับมันค่ะคำถามสักคุณนะัถาวดีการทำบุญอุทิศหาพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องจากว่าเราไม่มีงบประมาณจัดงานใหญ่โต แต่ใช้วิธีใส่บาตรทำบุญทำทานตามการและใช้วิธีเจริญสมาธิภาวนาแล้วกรวดน้ําอุทิศไปให้ท่านจะได้รับไหมเจ้าคะคือเจ้าจะรับหรือไม่เราไม่รู้หรอกเพราะว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมของท่านถ้าท่านอยู่ในสภาวะที่รอรับอยู่ท่านก็จะรับนะแต่ถ้าท่านไม่ได้รอรับก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะบุญนี้ก็เป็นของเราเองเหมือนกัน คำถามจากทาง YouTube คุณเปเล่ค่ะเมื่อต้องเจอกับความเจ็บปวดมากๆเช่นตอนนั่งนานๆแล้วเรายังไม่มีอั ป, ปนาสมาธิขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำวิธีการรับมือได้ไหมครับใช้กรรมริกรรมพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บพุทโธอย่างเดียวไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวจิตรวมลงสู่ความสงบอาการทุกข์กับความเจ็บก็จะหายไปความเจ็บอาจจะไม่หายไปแต่ความทุกข์ใจจะหายไป เล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับอาการเจ็บปวดของร่างกายคําถามจากคุณซีค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะไม่กลับมาเกิดแน่ๆแล้วครับก็เหมือนเวลาเราเลิกเราเลิอกอะไรได้แล้วเราก็ไม่กลับไปหามันอีกถ้าเราเลิกกินกาแฟได้เราก็ไม่กลับไปกินกาแฟเราจะรู้อยู่ในใจว่าเราไม่เราไม่ติดมันแล้ว คำถามจากคุณอาทิมิสค่ะการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเราสามารถเลือกคำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถนัดมากกว่าได้ไหมเจ้าคะเช่นถนัดนั่งสมาธิก็เน้นปฏิบัติแบบนั่งไปเลยหรือถนัดเดินจงกรมก็เน้นหนักๆไปเลยได้ไหมเจ้าคะได้แล้วแต่เราจะจะถนัดทางไหนก็ใช้ได้แต่ในที่สุดก็ต้องมานั่งสมาธิอยู่ดีเพราะถ้าอยู่ในท่าอาื่นนี้จิตจะไม่นิ่งไม่สงบ ต้องอยู่ในท่านั่งอย่างเดียวจิตจึถึงจะเข้าสมาธิได้ถ้าอื่นก็เป็นการจเจริญสติไปคําถามจากคุณสีเสร็จค่ะถ้าเรานึกถึงความตายบ่อยๆสิ่งที่เราจะได้จะเป็นผลดีหรือผลร้ายครับถ้าพิจารณายอมรับความจริงใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายมัวก็เป็นผลดีแต่ถ้าใจเรายังไม่ยอมรับนี่มันก็จะเป็นความทุกข์ราไม่ควรจะพิจารณาก่อนตอนนั้น ต้องทำใจให้นิ่งให้สงบให้มีสมาธิก่อนถึงจะสามารถพิจารณาความตายได้ถามหมดเจ้าค่ะามมาค่ ะ, ค, ะคำถามหน้ากุฏิค่ะจะหยุดคิดหรือห้ามตัวเองอย่างไรไม่ให้ติดทางโลกมากเกินไปทั้งดูหนังฟังเพลงเที่ยวตลอดก็อย่างน้อยก็คนจะมีวันหยุดสักวันนึงคือวันพระ หยุดเที่ยวหยุดกินหยุดดื่มมาถือศีลแปดกันแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิสลับกันไปหนึ่งวันกันหนึ่งคืนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วต่อไปเราก็จะสามารถลดการเศษรูปเสียงกินลดให้เบาบางลงได้ตามลำดับต่อไปหากจิตมีความคิดอกุศลจะดับได้ด้วยวิธีใดถ้าไม่มีสติก็ดับมันไม่ได้ถ้ามีสติล้วก็ดับมันได้ ถ้าไม่มสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเช่นพอเราคิดอะกุศลเราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสู้กับความคิดที่เป็นอกุศลถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธต่อไปความคิดอะกุศลมันก็จะหยุดไปเองพอมันหยุดแล้วเราก็หยุดคําบริกรรมพุโทโธได้ในทางธรรมเราต้องละ ก, กิเลส ต, ตัดความอยากแต่ในทางโลกในการทํางานเราต้องมีเป้าหมายต้องทําให้บรรลุเป้าหมาย หากทำไม่ได้ก็เป็นทุกข์เราจะเอาทางทำเข้ามาปรับปรุงอย่างไรเจ้าคะเอาความมักน้อยสันโดยเข้ามาปรับปรุงทำมาหากินเพื่อพออยู่พอกินไปก็พอตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ให้ร่ำรวยมาหาศาลขนาดไหนเวลาตายไปก็เอาไ ป, ไ, ป ไ, ม ไ, ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวดั้การทำมาหากินนี้มีไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ชีวิตอยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอเพียงแล้ว อย่าไปทําเพื่อให้ร่ําให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตมันไม่เกิดปอยู่อะไรมันสร้างความเครียดให้กับใจไปเปล่าๆถ้าทําแบบมากน้อยสันโดษมันจะง่ายมันจะสบายเอาล่ะวันนี้พออาหารพอซื้อข้าวกินได้ก็หยุดทํางานแล้วกลับบ้านดีกว่าพักผ่อนดีกว่าไปนั่งสมาธิไปทําใจให้สงบดีกว่าเอาความมากน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัยสี่อาหารก็กินวันละมื้อก็พอ เสื้อผมีสักสองสามชุดก็พอที่อยู่อาศัยก็พอมีพี่ที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอการรักษาโรค ก, ก็โรงพยาบาลสามสิบาทรักษาทุกรูมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรรักษาไปหายก็หายไม่หายก็ตายไม่ว่าจะโรงพยาบาลไหนสาสิบาทหรือสามหมื่นบาทมันก็ตายได้เหมือนกันถ้าถึงเวลาจะตายคําถามจากทางยู u ูบคุณศรีเสร็จค่ะ ความคิดเราควรหยุดมันหรือเราคิดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการครับแล้วสิ่งที่คิดจะเกิดจริงไหมครับไม่จริงหรอกความคิดก็เป็นตัวที่จะทําให้เราไ ป, ไปพูดไปทําอะไรทั้งนั้นเองถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทดําดีถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีงั้นเราต้องคอยควบคุมความคิดเบื้องต้นหยุดความคิดไหมให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดได้แล้วต่อไปเวลามันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ห้ามมันได้ เวลาคิดทางที่ดีแล้วก็ส่งเสริมมันได้คำถามจากทาง a ฟ e b o o k คุณณนะัฐวดีค่ะเวลาเรานั่งสมาธิไปนานๆเกิดอาการเป็นเหน็บชาเราพิจารณาแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปจนลืมความเจ็บปวดแต่จะมีผลกับการไหลเวียนของเลือดไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่หรอกเพราะว่าเป็นการนั่งแค่ชั่วคาไม่ได้นั่งไปตลอดชีวิต แค่นเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเรียบทมันก็การไหลเงินนีนก็กลับมาเป็นปกติหมด้เหล้จ้ค่ะมีคาถามํานองไหมวันนี้มีใครสำองคาถามว่อยากจะถามก็มาถามได้เดี๋ยวกลังจะเขียนส่งคาถามเข้ามาก็เดี๋ยวอยาอ่ารอทักพหนึ่งเดี๋ยเดี๋ยวเอาเข้ามาหน่อยเอาไมโครโฟนนยอะนั น, ะนัตะกอนจ้ะ พูดพูดทำไมเลยนะถามพูดพูดตรงพูดเลยนะฮัลโหลพระอาจารย์คือโยมน่ะไม่เหลือไม่เหลือใครแล้วทีนี้โยมอยากจะไปอบีบิเวกที่ที่สระสระษะนะะคือสถานที่สัปยะคือที่บ้านโยมนะฮะพระอาจารย์คือ เพราะว่าโยมในชีวิตไม่ได้แต่งานฮะมีเด็กวัยรุ่นจะมาทีละห้าคนอะไรอย่างเงี้ยโยมก็กลัวจะมาบีบคอนะฮะกลัวจะพังเพราะว่าที่บ้านก็ ก, ก, ก็มีแต่โยมคนเดียวอยู่เนี่ยโยมจะทำยังไงฮะโยมโยมนั่งไปอยู่บ้านคนชะลาแล้วนะ <laughs> อยู่จะได้มีเพื่อนมีคนคอยดูแลยอยู่บ้านบ้านพักคนชราเนะอะบ้านัคนชราโอ้แต่แต่จิตมันอยู่กับพรทธมนาธัานก็ได้อยู่ที่ไหนแล้วก็พทํามันยังอยู่กับจิตอยู่ด้เหมือนเดิมแต่ร่างกายจะได้ปลอดภยัยแล้วแล้วทรัพย์สมบัติยายอะตอนตอ น, ตอนนี้ยายมีเ อ, อือ้อทนเขาเจ้าสามห้องแล้วก็มีบ้านพร้อมที่ดินนะ ไม่ต้องกังวลนะตายไปเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาจาัด ก, การให้เก็บไว้ก่อนอย่าไปให้ใครเดี๋ยวเกิดให้แล้วเอาไม่มีอะไรกินเราจะลาบากอายาโยมว่าจะมีมีเงินอยู่ในบัญชีห้าแสนโยมว่าจะไปซื้อรถขับดีไหมไม่ดีหล้วแกงแล้วใช้รถแก๊บดีกว่าคื อ, คอมันคือว่า จะทำไม่สักทุกอย่างในไหนก็จะตายแล้วค่ทานทำทนไม่ได้เรามันแกแนะล้วร่างกายมันไม่ไหวนะให้คนอื่นก็มาช่วยทำให้เราดีกว่าใช้บริการรถแท็กซี่ดีกว่าค่ะโยมอยากจะถามพระอาจารย์เพราะว่าคืออยากจะไปทางโยมเป็นคนเกิดที่นคะรราชสีมานะฮะพ่อแม่เป็นคนโคราชโยมอยากจะไปปีกฤเวกเพราะว่าสตังก็ไม่ได้ไปทา คือเป็นพระวัดนะ่ะโยมพอจะมีตังเพราะว่ามีลูกไปถึงนักเรียนนอกนะ<อ>ลูกจุกปิญญาโทค่ะแล้วยังไงลนะ่ะทีนี้โยมอยากจะไปอยู่ที่วิเวกที่ว่ามีกุฏิเดียวแล้วก็มีพระแท้อยากจะไปเจอพระเท้นะฮะท่านก็ไปเริ่มต้นที่วัดป่าม่านตากก่อนก็ได้นะ ไปได้ใช่ไหมท่านเพราะว่าโยมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนโยมถ้านั่นก็ค่อยไปหาวัดที่อยู่ในสายเดียวกันมีหลายวัดด้วยกันไปวัดป่าวัดตาดก็ได้ใช่ไหมท่านไปเริ่มต้นที่นั่นก่อนแล้วทางคนท่านดูมาวัดโยมไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าอเพราะว่าค่ะไม่พูดซ้าอีกแล้วเนาะจ้าดีจ้า กลับมาัการกันค่ะคำถามฝากถามค่ะเราจะมีวิธีการจัดการอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นได้ง่ายได้อย่างไรคะเราต้องเป็นคนมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดอย่าจูจจ้จี้จุกจิกเวลาเราจูจจ้จี้จุกจิกอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธ แต่ถ้าเราเป็นคนสันโดษยินดีตามมีตามเกิดอะไรก็ได้เราจะไม่ค่อยโกรธอะไรฉะนั้นพยายามฝึกจิตเราอย่าไะอยากให้มันมากนะยินดีตามมีตามเกิดได้ไอันี่ก็ดีได้ไอนันก็ดีอย่าไปว่าต้องได้ไอันี้อันนั้นไม่เอาเดี๋ยวเกิดไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธขึ้นมาเมื่อจิตเกิดนิวรณ์เวลาปฏิบัติเราควรทําอย่างไรให้มีกําลังใจไม่ยอ่อท้อในการปฏิบัติก็ต้องดับนิวรณ์ให้ได้ แล้วแต่นิวรณ์มันตัวไหนมันไม่ต้องห้าตัวเราก็ต้องศึกษาดูเช่เวลาเราเกิดความโกรธเนี่เราก็ต้องอยุ่ความโกรธเราเปลี่ยนใจได้ไหมเราอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจยอย่างเราก็โกรธก็เปลี่ยนไปทช่ว่าไม่อยากได้แล้วอะไรก็ได้เราก็จะหายโกรธ<ม>หรือว่าคนเขาทำร้ายเราแล้วเรายัางจาฆ่าพยาบาทแล้วก็ให้อภัยเขาไปเพราะมันเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้ว ให้ภัยแล้วใจเราก็จะเย็นใจแล้วก็จะสงบเมื่อเราทําความดีทําไมชีวิตถึงยังไม่ดีขึ้นแต่กลับบางคนไม่ทําความดีชีวิตกลับดีขึ้นเป็นเพราะเขากินบุญเก่าหรือไม่หรือเพราะเหตุใดใช่มันมีทั้งบุญเก่าบาปเก่าแล้วมีบุญใหม่บาปใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าบุญอันไหนมันเกิดขึ้นเป็นผลของบุญอันไหนหรือบาปอันไหน ขอให้เราเชื่อว่ามันมีผลกนแล้วกันแต่ว่าบางอย่างมันก็ช้าบ้างบางอย่างมันก็เร็วบ้างคำถามจากทาง facebook คุณกิ๊กค่ะการนั่งสมาธิถ้าถนัดนั่งบริกรรมพุโทโธดูลมหายใจมากออกว่าการดูยุบหนอ่อพองหนอ่อจะเจริยวิปัสสนาได้อย่างไรคะมีคนบอกว่าได้แค่สมัมมาทแต่การทำยุบหนอพองหนอ่อจะได้มักคือได้วิปัสสนา แต่ส่วนตัวคิดว่าสิ่งที่อยู่กับเราอย่างสุดท้ายคือลมหายใจเราอาจจะไม่รู้สึกถึงร่างกายก็ได้ตอนใกล้าตายไม่เข้าใจว่าทำอย่างไรดีคะคือการทำสมาธิกับวิปัสสนานี่มันคนละขั้นกันเวลาทำสมาธิไม่ว่าจะใช้ลมเข้าออกที่ยูลมที่ปลายจมูกหรือบริกรรมพุโทโธหรือยุบหนอพองหนอเหล่านี้มันเป็นสมถะทางนั้นมันเป็นการทาใจให้นิง่งให้สงบ ไม่ไม่ได้เป็นวิปัสนาขึ้นมาในในขณะที่ทำสมาธิถ้าเราอยากจะได้ปัญญาหรือวิปัสนาเราต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วก็มาพิจารณาความไม่เที่ยงของลมเป็นต้นว่าลมเข้าลมออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสนารดยเห็นว่าร่างกายนี้อาศัยลมหายใจที่ไม่มีอะไร ท, ที่ไม่แน่นอน วันใดหมดลมเมื่อไหร่วันนั้นก็ถึงเวลาตายอันนี้เป็นวิปัสสนาต้องศึกษาต้องพิจิตรถึงเรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่ดูลมเฉยๆที่ยุบหนอ่อพองหนอ่อแล้วจะเกิดเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเองไม่เป็นไปหรอกคําถามจากคุณจรัญญาค่ะเราต้องรู้เท่าทันว่าทุกอย่างเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปถูกต้องไหมเจ้าคะใช่เช่นราบยุศเสรเสริญสุขเนี่ยเป็นของชั่วคราว ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้ได้ยศมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้ได้สรรเสริญแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นนินทาไปก็ได้ให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนพอรู้ทันแล้วจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดมันไม่ไปยินดีร้ายกับมันปล่อยมันมาปล่อยมันไปแล้วห้ามมันไม่ได้มันจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะไปเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราจะห้ามใจเราไม่ให้ไปยึดไปติดกับมันได้ปล่อยมันมาปล่อยมันไป เขาใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการเห็นรู้ทันสังขารต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงคำถามจากคุณสลินยาภาค่ะถ้าเราต้องการละความอยาก เพราะต้องการหลุดพ้นจากวัตฏะสงสารแม้แต่ความอยากพัฒนาประเทศเราจะอุทิศส่วนบุญกุศลและส่งพลังบุญให้กับพระสยามเทวาธิราชและบุคคลที่ยังมีความคิดพัฒนาประเทศและวิดวายตายเกิดต่อไปได้ไหมคะเพราะว่าเราต้องการละแล้วแต่เราสามารถส่งไม้ต่อได้ถ้าละละไมันก็ไม่ส่งอะไรให้ใครแล้วละมันละมันละหมดทุกอย่าง อันนี้ก็แสดงว่ายังไม่ละยังอยากให้เขาพัฒนาประเทศอยู่อันนี้ก็เป็นกิเลสอีกอย่างเพราะฉะนั <S <S 1> <S 1> ้นละมันต้องละหมดเลยตัดไปทางโลกไปหมดเลยไม่สนใจเรื่องของทางโลกแล้วถือว่าเรื่องของทางโลกเป็นเรื่องเรื่องของของเวียนว่ายตายเกิดไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปคําถามจากคุณปลายฟ้าค่ะหากลูกศิษย์ขออาราธนาท่านอาจารย์เมตตา นำรงขันนานๆสุขภาพแข็งแรงเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกๆคนไปอีกนานๆได้ไหม่เจ้าค้ากราบาค่ะก็ไม่รู้เหมืนอกนกันไมอยากจะตอบวันนี้ใครๆก็อยากจะอยู่ให้ถึงหมื่นปีแสนปีแต่ร่างกายมันจะอยู่ได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปถ้ายังอยู่ได้มันก็อยู่เมื่อถึท่านนะั้นะอย่าไปอยากอย่าไปอาราธนาะ คำว่าราานานี่หมายถึงว่าให้กำลังใจยินดีสนับสนุนไม่ใช่ให้กำลังใจแบบปากเปล่าแล้วก็ปล่อยให้ไม่ดูไม่มีใครมาช่วยดูแลไม่มีใครมาเหลียวแลอยู่คนเดียวมันก็อยู่ไม่ไหวเพราะเวลามันแก่มากขึ้นก็ต้องมีคนมาช่วยใช่ไหมถ้าอยากจะแสดงอาล า, านานก็ต้องมาช่วยไม่ใช่พูดเฉยเฉยแล้วไม่มีการกระทาอะไรถ้าพูดเฉยเฉมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรช่วยแล้วก็ต้องมาสนับสนุนมาดูแล ขาดข้าวกินหรือเปล่าขาดหมอหรือเปล่าขาดยาหรือเปล่าขาดอะไรหรือเปล่าต้องมาดูแลไม่ใช่มาขอลาธนาเฉยๆอย่างเดียวมั น, ม, น, นมันเป็นเจตนาแต่มันไม่ได้เป็ น, ปนการกระทํำ เ, ออเจตนาไม่ได้ทาให้เกิดผลขึ้นมาผลอยู่ที่การการกระทํา อ, อ, อย่างพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกพระอานุลหลายครั้งว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อีกหลายเดือนนะหลายปีนะแต่อานอนท์ก็ไม่เคยอาราธนา ไม่เลยเคยบอกว่าผมจะยินดีรับใช้ท่านต่อไปเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่อานุนก็ต้องมาคอยรับใช้พระพุทธเจ้าต่อไปนพระพุทเจ้าก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระกับพระอานุนมากเกินไปก็เลยให้พระอานุนเป็นคนตัดสินใจว่าอยากจะอยู่รับใช้ต่อไปหรือไม่ถ้าเรายังอยู่ต่ออีกยี่สิบปีเธอจะยินดีรับใช้เราหรือเปล่าความหมายเป็นอย่างนั้นแต่อานุนไม่เข้าเข้าใจความหมายก็เลยไม่ได้อาราธนาะ เมื่อไม่อาราธนาพระเจ้าคิดว่าลาะอนุนก็คงจะเหนื่อยแล้วมั่งเขาคงอยากจะไปทํากิจของเขาก็เลยก็เลยตรงตรงสังขารเท่านั้นแหละคำาอาราธนามันต้องต้องจากอาราธนาแล้วมันต้องมีการกระ ท, ทํำที่สนับสนุนไปด้วยไม่ใช่อาราธนาปากเปล่าเฉยๆอย่างเดียวอะไรเขาพูดได้อยู่ไปนานนะแต่ไ ม, ไม่ไม่ซื้อข้าวมาให้กินนะไม่หาหน้ำมาให้ดื่มนะ มันก็ตายนล้วหละอริธานาไปแต่ไม่มีการสนับสนุนด้วยการกระทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่อันนี้พูดนี้ไม่ได้มาว่าขออยากจะให้ญาติโยมมาอะไรนะเพราะความจรญาติโยมก็ดูแลอย่างดีแล้วบิณฑบาตวันละต้องสี่ห้าร้อยคนอยู่แล้วทุกวันไม่มีขาดแคล น, นเลยท่านั้นแหละพูดให้ฟังเฉยๆเพื่อเป็นอัญญาก็แล้วกันหมดแล้วยังมีหลายคําถามเจ้าค่ ะ, อะไอ้คําถามหนึ่งคำถามสุดท้าย คำถามจากคุณสิงหราชค่ะถ้าเรารักษาศีลอยู่แล้วเพื่อนๆทําให้เราผิดศีลเราต้องทําอย่างไรครับ เ, เขาทำให้เราผิดศีลไม่ได้หรอกเราเป็นคนทําผิดศีลเองเราเป็นคนไปกินเหล้าเองไม่ใช่เพื่อนๆ เ, เพื่อนก็มาชวนยังไงถ้าเราไม่กินมันก็ไม่กินอยู่นั่นแหละแต่เขามาชวนแล้ ว, ลวไปอ้างเขาว่าประําว่าเราผิดศีลนีเ่เป็นการหลอกตัวเองความจริงเรานั่นแหละเป็นผู้กระทาผิดศีลเขาอาจจะมีเป็นเหตุที่จะมาชักจูงเราอันนี้ ก็เป็นเหตุได้แต่แต่ถ้าเราเข้มแข็งเข้มคัดกับการรักษาสินของเราก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาจูงใจเราให้เราเปลี่ยนใจได้ดงั้นอยู่ที่ตัวเราว่าเรามีความความเข้มข้นกับการรักษาสินของเราหรือไม่ถ้ า, ามีความเข้มข้นต่อให้อะไรมาชักจูงเราก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนใจเราได้